จบแล้วก็ต้องมาเล่าหรือมาเล่าเรื่องวิธีปฏิบัติให้พวกเราฟังอีกตอนเศร้านี่ก็เล่ามาให้ฟังว่าวิธีปฏิบัติผลมันเป็นอย่างั้นตอนเย็นเมื่อนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังอีกตั้งใจฟังกันฟังแล้วจดจําได้นําไปปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าฟังแล้วจดจำบดได้ไปปฏิบัติก็บดถูกต้องบางทีนะบางทีก็ถูกต้อง ถ้าหากเราบกเข้าใจแล้วการปฏิบัติมันบวเขาได้รับผลดีดังนั้นการปฏิบัติธรรมะวิธีที่เราทำกันอยู่เดี๋ยวนี้นี่เรียกว่าวิธีสร้างจังหวะเดินจมกลมบกให้นังนิ่งนิ่งถ้านังนิ่งนิ่งแล้วมันเป็นขมสงบสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานนั่นพันวาเป็นควมสงบจิตสงบใจซื่อนี้พนวาัิน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 รู้สึกตัวตื้นตัวรู้สึกใจตื้นใจบ่ให้มีความเศร้าหมองบ่ให้มีความซึมเศร้าบ่ให้งกหง่วงบ่ให้มีใจหดหู่เพราะว่าหดหู่ทางพ่ว่าใจหดหูถามพระเจาว่าหดหูหลวงพ่อว่าภาษาบ้านหลวงพ่อว่าใจหดหู่ถ้าจิตใจเศร้าหมองจิตใจงกง่วงจิตใจหดหู่จิตใจซึมเศร้าพนว่ะบ่มีกําลังใจ กำลังสติปัญญากรบโโบมีเพิ่งวายย่างทันดังนั้นคนเราเป็นทุกข์เพราะเราเราไม่รู้จักนั่นเองดังนั้นมาเจริญนิพพานเพิ่งวิปัสสนาก็ได้หรือว่ามาเหตุซื้ อ, อ, อก็ได้จีว่าจังไหนก็ได้ม่เป็นเรื่องสมมุติเพื่อโบให้มาสงบใ น, นด้านนี้อันความสงบแบบหนึ่งสงบแบบนําแข็งสงบแบบนี้โบเม่อสงบแบบนําแข็งแล้วมู่้ดเห่าคงเจเคยได้เห็นนาแข็งเคยได้เห็นนาแข็งบอครับ เคยได้เห็นน้ําแข็งบ่เอ อ, เ, อ, อเห็นกะไวเห็นแม้คันมันโบได้เห็นมันก็ บ, บ่งรู้จักคําพูดน้ําแข็งนี่เป็นกอ้อนใหญ่ๆบอรนี้เอาไปวางไว้ตากแดดตากลมโบอยู่ได้ผลเท่าไหร่เละล่าลายเป็นน้ําเมื่น้ําแข็งอันความสงบแบบเป็นนั่งสงบอยู่นั่นก็คือกันเมื่อไปสู้อารมณ์มีคนตนําหนิมีคนมายุ่ยเ ย, ออย้ยจังใจจิเกิดตึ้พอพราะลดง่าย อึกแทแลไปโหลดโบสู้ได้เป็นอยงสันหลวพ่อในผู้อื่นทีีว่าตัางใดบูกจักมันสู้โบได้บาทนี่น้ําแข็งนี่กินเข้าไปมันเย็นมันเนี่ยเย็นจิ้วขึ้นไปในทองในไซด์ของคุณบุดเดียวน้ําแข็งนั้นมันหมดหมดพิษเย็นมันลาหลายออกมาเป็นเหื้อเหนียวตัวเหนียวโตหลวงพ่อคำนวณหทังซือหลวงพ่อโบได้เห็นหนังสือหลายโบได้มีความรู้หลายหลวงพ่อคํานวณเอาเป็นปัจจุบันตัวเองนี้ ดังนั้นมาว่าให้มู่ฟังกับน้ําแข็งที่เป็นก้อนใหญ่ๆนั่นเอาไปตากแดดตากลมบุกุ้มผมมือดอกลาหลายเป็นน้ําตามเดิมโบยเย็นตลอดมือบัดนี้เขาลงน้ําลึกๆบนเนี่ยลงน้าของกับฟ้าบ้านหลวกพ่อมีน้ําของน้ําโขงวัดสันพรวาในบ้านหลวงพ่อเอื้อนน้ําของน้าห้วยน้ําของลงลึกๆลึกไปทั่วเดี๋ยวิ่งเย็นทวานน้าอันนั้นหายูมอๆแต่ฟังนี้อุ่น ลงไปลึกกล้เย็นลงไปดำลงไปลึกกล้เย็นเย็นอันนี้ก็คือกันที่อย่างพ่อว่าอย่างนี้ถ้า เ, าเคลื่อนไหวมากๆเนี่ยบางทีคนมาว่าเหาจีบบได้ยินสามตินเี่มันเส้ไปได้ได้ยินมันจีบบไปรับอารมณ์อ น, นันต์เพราะเหาเห็นความคิดเหาอยู่ในการเคลื่อนการไหวเนี่ยจีบว่าเคลื่อนไหวภายนอกแต่ก่อนอย่าสูนั่งนิ่งๆถ้าหากผู้ใดนั่งนิ่งๆไปติดความสงบแบบนำแข็ง บนเม็แบบนำลึกคนอยู่ในถ้ามันมืดเนีย่ยพอเปรียบเทียบให้ฟังเอาจุดไฟขึ้นโคมมืดหายไปเที่ยวโมมืดมันว่าหายจากเหาเนี่ยเหายู่นั่นโคมมืดท่าเนี่เอาไฟมาเบื้องทางหน้าพี่มืดมันมาข้างหลังพุ่นเอาไฟมาข้างหลังมืดมาข้างหน้าเอาไฟไปข้างซ้ายมืดไปข้างขวาเอาไฟไปข้างขวามืดมาข้างซ้ายเพราะเหายัางอยู่ที่มืดท่าเนี่อันส ม, มะถะกรรมฐ า, านก็คือกัน บ่มีความสว่างในใจเนี่ยพอผู้อื่นให้จีเป็นสันเดบีบูฮัวจักบ้านมาหิการเคลื่อนไหวนี่มีความสว่างในใจขึ้นเบาอกเบาใจขึ้นเป็นอย่างไรพิจกันในเถจึงว่าทิศที่ความเห็นนั่นผู้ใดจิมาว่าให้โบเสื้อเนี่ยพอเนี่ยพออยังเปียบเทียบให้ฟังว่าตำหนิแผลที่ลี้รัรบของเหาแล้วคนอื่นบ่มองเห็นตำหนิแผ่ผู้อื่นขเขาจีไปมองเห็นยังไง เพิ่งเคยเห็นของเพิ่นเหาก็เห็นของเหาสันว่าอันตนําหนิแพ้บาดแพต้ตําเนื้อตําหนังเฮานี้เห็นได้ด้วยตาอันใจเหาคิดดีคิดซั่วโบวคิดดีโบคิดซัวเนอะเหาโบเห็นจักเถื่อบบเคยว่าหามันจักเถื่อจิตใจแต่บางคนเนี่ยพอได้ยินเนี่ยพ่อก็เคยว่าสักเนี่ยบางทีโอ้ใจหายแท้ๆวาสันแต่โบได้ว่าอารมณ์คนกรุงเทพเพิ่นว่าอารมณ์โบดี อารมณ์เมื่อเนี่ยอารมณ์ศูนเสียวผ่านว่าอารมณ์คุ้นมัวไปสั้นอารมณ์เศร้ามองผ่นว่าสั้นบ้านเนี่ยพอบว่างสิโอ้ใจหายแทะเมื่อเนี่ยเอย่ามายุ่งนะเนี่ยว่าเป็นเนี่ยพ่อก็เคยได้ยินผู้อื่นก็ว่าเนี่ยพ่อก็ว่าอ้น้องมหาโอ๊ยอย่ามายุ่งใจหายเนี่ยว่าไปบางทีลูกเมียไปหากรเว้ากันโอ้ยอย่ามายุ่งใจหายเนี่ยว่าไปคันหูจักว่าใจหายก็เอาเทมปุ่ลุงเสลี่เหมิงก็แล้วซื้อนี่น่ะมันเว่าเป็นซื้อนี่อย่าง ลักษณะคนวาเปียนนี่โบมนนีนเนีการพูดจาล้อยคำพันคำมื่นคำแสนคำล้านคำก็ตามสู้การยกมือเท่อเดียวนึงบโได้การกระทำนี่มันทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งตึงใจแต่เทนี่เด้เนีย่ยพ่อเป็นอย่างสันเจียงว่าหลวงพ่อก็เลยหาเอาวิธีที่เป็นโบมีในตำรับตำลาดอกคนบด้อ่านหนังสือคักมันก็โบมีละ คันถ้าคนอ่านหนังสือคักๆแล้วมีรถตำลามีบ่อนใดกย่เห่าเคลื่อนเห่าไหวนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีสติกำหนดรูเด้ในอิริยาบรทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนคู่แ ย, ยกเคลื่อนไหวนี่เพิ่นบอกอันเราเฮ็ดนี่ก็ะม่นการคู่แ ย, ยกเคลื่อนไหวนั่นเ้ี่ยโบมันอึดไก่เด้คันบยเฮ็ดนังซี่ให้คนมันบุ้งหจักวิธีเฮ็ดมันนั่งนิงน่งๆเนี่ยบางคนว่าเอาเบื้งลมหายใจกระไ ด, ได้จีบอดได้จังไหน แต่ว่ามีดหน้อยๆสมมุติเอาฝันไม่ใหญ่ๆเดี๋ยมันบวขาดเด็ลองบ่แม่ขันมีดหน้อยๆคมดีมีดน่ะนะไปฟันไม่ใหญ่ๆเนี่ยโอ้ยบวขาดมันสอยเอาทีละน้อยเนี่ยบ่เดือกมีดกะหักซ้ํำปิดบัดนี้เฮ็ดวิธีอย่าพอวานเนี่พาอิโต้บักใหญ่ๆทางพี่เอินว่าพาอิโต้บ่หนึ่งเด๋งพาใหญ่ๆเนี่มิตโตเออทางบ้านเนี่พอเดี๋ว่าเอินพาอิตโต้บัดเอิญมีโตพาใหญ่ๆเนี่ย ขวดใหญ่ๆเนี่ยซัดใส่คมหนาแล้วฟาตุ้มเข้าไปมันเ น, าน่าหน่อยพนวัดมันบวขาดเหกับเน่าเปื่อยออกมาทีเล็กทีน้อยหักโรดไปเดียวใหม่เรื่องโทสะโมหะโลภะนี่ก็มาแต่เหารู้เข้าบ่อยๆแล้วมึงว่าสันแลนไปกุ้นกุ้นไปโรดบนคันห้องเห็นมันเป็นอะไรัว น, นี้นี่จึงว่าความสงบจริงๆมีอยู่สองอย่างสงบแบบน้าลึกเรียกว่าสงบวิปัสสนากรรมฐาน สงบแบบน้ำแข็งนั่นเรียกว่าเป็นสมาถากรรมาฐานดันั้นสมาถากรรมาฐานจึงเป็นอุบาลให้สงบจิตสงบใจซื่อวิปสัสสนาเน่ยเป็นรถแทรกเตอร์ไถหกักไข่คนมันออกไปรถไปเดียวเป็นว่ารากมันยุใส่ไถออกไปหลายเทือ่อหกักเล็กหกักน้อยขาดมุดต้นไม้ใหญ่ใหเนี่ยเหาเบิง้งรถแทรกเตอร์ขับจะเห็ดถังเนี่ยพอไปเบิง้งเอาเอ า, เอายกกระเช้าไถไปมันเนืงไปรถไถทั้งก้นพี่รถโยู่ไปไถบรรหนุพลว่าจะเนี่ทังพี่ว่าจะเนี่ ทกไปในว่าแสดงว่ไทยไปนี่ ด, นดันไปเลยเนี่ยมันบูมู้จากความหมายผิดกันเด้คนไทยได้แท้แหละในวอลอยังบวกคือกันดันไปว่าสันเนี่ยเนี่ยพอบาะ ว, ว่าว่าจะไทยไปว่าสันยูไปว่าสันนี่เพราะว่าดันไปเนี่ยมันผิดกันะแต่ว่าการฟังคําพูดของหลวงพ่อนะั้นถ้าหลวงพ่อพูดเป็นภาษาเมืองเลยยังซีแล้วฟังหยักหยัแต่ฟังบ่อยๆฟังเพื่อความเข้าใจ โอ้หลวงพอว่อวายจังสรนเป็นวาจังสร น, น, นเด้ดจีดียวหจักจังสรนดังนั้นอันมาเฮ็ดเดียวนี้เนี่ยเอิวาเฮ็ดวิปัสนาเฮ็ดกับธรรมอันเดียวกันเนี่ยธรรมเฮ็ดธรรมกับเพ็ดกัอันเดียวกันบ้านหลวงพอ่อทางพาาาางาจิวาบวาเฮ็ดวสนา็ัธรรมอันเยวั่าธรรมเดั่นอเวกั้างว่อางพวาบาเฮ็ดวินาดกับธรรมอันเดนี่ยธรรฮดธรกับเฮ็ันเวกน้านห้อาจเฮิาเฮ็ดกัมั น, ยยนียกันเนี่ยมเ็ดธมืเฮ็อมเา อยู่ไกลๆจากสิบวายี่สิบวามองไกลนี่จากสามสิบวาก็มองเห็นให้นด้เหยายางไปเนี่ยเห็นยกมือไปมือมาเห็นอันนี้มันใหญ่ให้เาหูวจักว่าให้หัวจักส่วใหญ่เดี๋ก่อนบันนี้เพิบตาบันเนี่ยสิบวายี่สิบวามองโมเหตุกันตาบูดีเข้าไปในระยะจากห้าวาที่มองเห็นมันเนี่ยมันละเอียดเข้าไปอันสั้นมันส่วนหายใจบันเดี่ยห้าวานี่มองโมเหตุเนี่ยเข้ามาจากวาสองวา ที่มองเห็นหายใจท่อมันเตียงวูบวาบวูบวาบเห็นแล้วแบบ น, นี้ส่วนคิดได้เห็นบ่บบเห็นแล้วแบบนี้โตเฮามองกรบโวยเห็นได้ผู้อื่นมองมาจีเห็นยังใดนี่จีว่าคนอื่นจีมางหูคนเฮาบาาัวใดเฮาต้องหูคนหมู่พอเฮาคิดอันนี้เฮาตรงหูเห็ุอันนี้มาจีวู้จักคมคิดผู้นี้มันจีไปทําลายคมคิดผู้เนี้ยบุไม่ทําลายตายที่บุเมนยังสันเนี้ทําลายจีบัวให้โทสะโมหะโลภเกิดขึ้นพุน้น ทุกพ่อโทสะ beach, AH, ama, โมหะโลภะบมเมนท์ทุกพ่อโทสะโมหะโลภะก็ได้ขันิวาเป็นสองสั์ก <çoc Kings> ับกันเป็นวัดทุกพ่อโทสะโมหะโลภะยู่ไสายมีบัเดียวนี้โบมีแล้วโมเมนต์ออกเคยโกดเป็นบ่โกดเป็นวะเดี๋ยวนี้โกดบ่เดี๋ยวนี้นี่ยเนี่ยเขาโกดจิงบบมีในตัวเขาเนี่ยมู่หลวงพ่อโกดเป็นบ่เดี๋ยวนี้โกดบ่เดี๋ยวนี้เนี่ย่ความโกดจิงบบมีในเขา อันเขาโกดมือใดนั้นเขาหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจหลงชีวิตหลงจิตหลงใจเขานี่ซื่อดีเนี่ยมีผู้ธเมาว่ามันหลงแล้วพุทไปเบิ่งแต่ข้าเจ้าม่นมาเกิดปุ่งแตงขึ้นไหมใช่ว่าวิธีง่ายง่ายอึดใจเดียวก็ได้รถคนมีปัญญาฟังแล้วเนี่ยพอเว้าเนี่ยแต่ว่าหากยิบุ้งเจากภาษาเท่านั้นล่ะความจริงแล้วถ้าหากเขาบหลงตนลืมตัวบหลงกายลืมใจบหลงสิวจะจักเถื่อ ไปใส่มาใส่เบิ้งชีวิตเนะี่ยไปใส่มาใส่ประบ้านหลวงพอ่อทางนี้อาจจะว่าไปไหนมาไหนอาจจะว่าอย่างสังกัดได้นะมันบ่งหุจักแี่ว่าไปไหนมาไหนบ้านหลวงพ่อคันว่าไปไหนมาไหนเนี่ยว่าไทยวนวลว่าทางโพุนทางเมืองแพรเมืองนานพุนเอินไปไหนมาไหนเนี่บ้านหลวงพ่อเอิญไปใส่มาใส่ได้หักพอฟังกันได้เป็นอย่างสันดังนั้นความสงบจึงมีอยู่สองอย่างสงบสมถะกรรมฐานนั้น บ้หู้จักพวกกามบ้หู้จักเนี่ยพอเนี่ยพอทำมาแต่สิทนี่เนี่ยพอกับบหู้จักเรื่องโทสะโมหะลพอกับบหู้จักบหู้จักแตเนี่ยพอผู้อื่นที่จีหู้จักบ้หู้จักกับโบ้โบหู้จักเนี่ยพอพนหู้จักน้อยพนหู้จักหลายแท่บ้หู้จักเนี่ยพอหู้จักแต่ตัวเนี่ยพอเองเนี่ยพอนี่ทำบุญอยู่ครั้งหนึ่งให้กองกรถินนะอันเนี่ยโเสสมาทำบุญนั้นได้ทำบุญกองกถินในแท้ีนะ หมอลำจ้างหมอลำมาลำแล้วก็จ้างนางไปได้เว้ากันแล้วกับไม่เอาไมเทียนเนี่ยว่าหน้าที่ของเจ้าเป็นผู้รับแขกแต่งผาเข้าผาหน้ า, นานให้จินแล้วก็เงินทองให้เจ้าเป็นคนจ่ญญายเนี่ยพอว่าค่อยเป็นหน้าที่รับแขกต่างบ้านทางไกลรับสินแปดเนี่ยพอไ ม, ม่เอาไม่เถียนนี่ให้เรารับสินห้าเนี่ยมันเอาเปรียบเขาเนี่ยบุตรเรื่องเป็นอยงนั้นบัดนี้หมอลำลำแล้วเมื่อเสาร์ข้าเจ้า ก, ก็ถาบเอาเงินที่ จีให้ทอ่อใดว่าสันกลมจริงว่ากันแล้วปุ๊บรถเนี่ยพอหนักบนโต๊อยู่ในใจเป็นแต่บรรยมได้เพราะขนหลายนย่างอยู่ในเหัว น, นั่นยิ้มอยู่แต่มันบั ย, ยิ้มได้ว่าใจพุ่นน่ะหนักอยู่พอปันเอาโซ่สร้างอ้อมขออยู่พุ่นน่ะลูกบวก ข, ขึ้นพุ่นน่ะจีให้ท่อไดก็ให้แต่เนี่เราก็ บ, บุ้งมาจากว่าอนย่ยพอเป็นอย่างมั้าดีๆอยู่เอากระถินไปทอนให้พระมาแล้วกับมือแรงกำลัง ก, กินข้าวสองคนซี่กับลูกลูกสองคนอย่างน้อย แล้วก็พ่อแม่ให้ว่าเดีไปข่าวนั้นเป็นพ่อคนแม่คนได้ไงพอบัดนี้ก็เลวอยู่หันนะเลาเรื่องอยากให้เขาหูจักนั่ะเขาก็ัวหูจักแล้วเขาหักโบยักเวามันโบดีบัดนี้เขาก็เลยถามว่าเจ้าหย่างว่าจะข่มเก่ายังสั้นอวสันเจ้าบ่พอใจที่ค่อยเว่าให้เจ้ามือเ้าดิสิบ่พอใจว่าสันท้อค่อยเราบุงหูจักว่าเจ้าบ่พอใจว่าสันเราว่ะเราก็เว่าเป็นซื้อเราก็บุงหูจัก เจ้าน่าตกนรกเน่าเฮ็ดบุญเน้าโบได้บุญน่าสันลาวะโทษเจ้าเจ้าแมนข่มเราเด็ดเด่ยพอเสื้อฟังลถผู้ใดเว้าวันมันทูกจังหวะเนี่ยพอเน่ยผมฟังเสื้อทันทีรถไปเดียวอย่าพอโอ้แมนข่มเจ้าแล้วแบบนี้ว่านึกในใจว่าโอแมนแล้วแมนขมเขาแล้วเราตกน่าหกเพื่เดียวเราเด็ดเนี่ยวะเน่าหลกที่ใต้ดินอย่าพอโบไปเชื้อเนี่ยพอเน่ยพอตกนรกเดี๋ยวนี้นี่นะแก๊เดี๋ยวนี้นี่นะก้นนะเนี่ยพอวาเมื่อเสารเนี่ยวา ผู้ใด้ชีพไปตกนรกจ้าโยมพิบาลจดเส้นหนังมะนาวไปผู้ได้ชีไปสวรรค์ น, นั้นเทวดาจดเส้กระดาษทองคําไปวะท่านนั่งมะนาวนี่มันเหม็นอยู่ในใจคุณเขาบบเห็นแต่เจ้าของทุกอยู่ในใจคุณเนย่ยพอตั้งใจมือนั้นมารู้สิเอาละบัดเนี่ยท่านถ้าเอาชนะสิ่งนี้บ่ได้แล้วบ่แล้วกันเรื่องชีวิตเนี่ยเนีย่ยพอตั้งใจไว้เถอะคุณละ มูเพิ่นไปปฏิบัติธรรมะเพิ่นจิตตั้งใจปฏิบัติยังไดหัวบุ้งจักเนี่ยพอญาพ่อมีความตั้งใจยันซี่มาตั้งแต่มือนั้นแหละมาให้กองอาทินแล้วก็ทำบุญให้ทานเฮ็ดมาอย่างนี้แต้มันโบเสาข่มโกดเนี่ยรักษาสินแป๊ดหลวงพ่อก็รักษาแล้วมันโบเสาใจหายนี่นะมันโบเสาข่มโกดมันโบเสาข่มหลงนี่นะนี่บัดมาเฮ็ดอันนี้แล้วมันสามารถที่จะเสาได้นี่จิตใจมันกระบ้วงหุดหงิดปัไญานี่นะ ไผซิวาแซงสัญากาตามสร้างเนี่ยเรื่องของข้าเจ้าเป็เรื่องของเราว่านี่พอลูจังสิยังว่าเยี่ยพอทำกรรมฐานมาเนี่ยพอบลูโมลูบกคิดถึงซ้ำเฉพาะกาลนี่ก็ได้กามมาสาวะภวาสาวะอวิสาสาวะเยพ่อบกคิดถึงจอกเพื่อทำกรรมฐานมาตั้งแต่อายุสิบกว่าปีมาไผซิว่าเญกาตามสร้างว่าเนี่ยพ่อว่าอวดดีมองแต่เรื่องของตัวเองว่าเจ้าของเก่งเอ้าเก่งนะแม่ คนมีดีแล้วก็ต้องมาเวาแต่บเมยคนอวดดีได้เนี่ยคนมีดีแล้วเอามาเว้าสู้ฟังอันคนอวดดีนั้นอวดดีซื้ อ, อถามต้นส้นตายโบได้จับกกจับตายโบได้ซีต้นซีนี้ไปโบเมย์เนี่ยพอไปเนี่ยเนี่ยพ่อปฏิบัติเทีแรกเนี่ ย, อยพอรู้เรื่องรูปนามจบเรื่องรูป น, นามแล้วกลับมาพ่ อ, พอกลับมารู้เรื่องความคิดทําลายเรื่องโทสะโมหะโลภะนี่พักหนึ่งทําลายโทสะโมหโลภะแล้วก็ทําำลายกิเล ตัณหาอุปทานนี้กรรมนี่ออกไปโหลดเนี่ยพอเมื่อทำลายซึ่งเรานี้ได้แล้วก็เห็นโหลดสินขันสมาธิขันปัญญาขันโลดโบเมนสินขันอันขันห้าขันแปดขันสิบสองพูดโบแมนเนี่ยพอว่ารูปขันนี่ได้เนี่ยพอว่ารูปอันนี้มีศินรูปขันมีสินอะไรสินเวทนาขันมีศินสัญญาขันมีศินสังขารขันมีศิลวิญญาณขันมีศินจึงว่าสินตัวเดียวเท่านี้เนี่ยพอ รูปอันนี้ก็อยู่งนาทีรูปอันนี้แล้วเวทนาเสเวอารมณ์ก็มีสิ่งแล้วเนี้บแบเนี่ยกจ็จะไปเสเวไม่ให้ข่มทุกข์กับขันจะบของมีสิน่งอันผู้ใดไปรักษาสิ่อยุ่งยังไปเสเวข่มทุกข์อยู่โอ้ยคล้ายๆคือสัตว์นรกนั่นแหละอันนั้นเป็นอย่างนั้นเนีคือเทวดากับนอนคุยกันนั่นแล้วเป็นอย่างนั้นเมื่อหูจักอันนี้แล้วย่าพกหูจักโลดไปเดียวหูจักสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขัน อธิสินสิกขาอธิกิตาสิกขาอธิปัญญาสิกขาตำราวางสั้นอันสิ่งขันสมาธิขันอย่าณิพรานิโบมีตำราญาพวเวเห็นโบได้ยินครูบาอาจารย์ว่าให้ฟังออืได้ยินเต็มอธิสินสิกขาอธิกิตาสิกขาอธิปัญญาสิกขาสิกขาสามพันวายังสั้นแตกญาพวไปเฮ็ุนั้นโบเมีนวางสั้นสิ้นขันสมาธิขันปัญญาขันพิหุจักอันนี้เริ่มไปหุจักอันนั้นรอแปเดียวจบโบต้องเรียนก็ได้เมื่อปฏิบัติจริงๆเรารู้จริงๆ เมื่อรูอ้อานิโรสมถะกรรมฐานนี่มันเดาบรู้อันมาม่นเนีย่ยมันเดาบรู้กังหูนจากกาักรามรูเปล่าเดียวจากนี้โตเองไปนั่งทํากรรมฐานพุทโธธรรมโมอรหังพองยุบนั่งภาวนาดูลมหายใจเข้าออกสัญญาลมหยาบลมละเอียดโอ้ยเนี่ยพอเห็ุมาพอแล้วตัวแข็งคือเนี่ยพอเห็ุมามันมู้หุจักนี่นะยังว่าสงบแบบอยู่ในถ้าบนไม่มาสงบแบบออกจากนอกถ้า อยู่ในถ้ำจุดไฟขึ้นมืดโคมมืดหายไปโรเต็ปโคมมืดมันโมออกจากเขาเพราะเขาอยู่ที่มืดนี้บาตรนี้เขาบอต้องอยู่ที่มืดเหมือนโบต้องใต้ไฟก็ได้ออกจากถ้ำมันดำมานยางอยู่ปากถ้ำ ม, มองเบื้องในถ้ำมัมันเห็นมันมันมืดอันนั้นน่ะพ อ, อมาทางนอพี่มองไปทางพี่มันสว่างหมดมันเป็นอย่าง น, นั้นนี่จิตใจเปลี่ยนเข้าไปทีนึงสองทอนี้เป็นอย่างนั้นจึงมาโอ้กามาสาวาอาสาวะคือกาม ยินดีในอารมณ์กามาสาวะนี่อารมณ์เย็นอกเย็นใจเหรอตกอยู่ในของกามาลมเพิ่นเอิญกามาลมมันเป็นอารมณ์ซื้อจิ๋ว่ากามาสาวะอะไรน่ะอาสาวะคือกามแต่บูฮุจักเนี่ยพอภาวาสาวะอะไรน่ะอาสาวะคือภพอาสาวะคือกิเลสเพิ่นหวายอย่างสั้นบันนี้่ะภาวาสาวะอาสาวะคือภพ มันเป็นภพเป็นศาตร์ก็จุดเด่เห่านี้จังหวาอาสวะคือกิเลสเป็นภพเป็นศาตร์เป็นวายังสัตยังยว่ากามาสวะภาวาสวะอวิสาคือโกลบุลูอะวิสาคือบุลูภพ บ, บุลูศาสตร์บุลูแจ้งว่าสัตว์ใดจั ง, งโอ้บัดนี้กามาสาวะเราทําลายมันแล้วบัดนี้วะสัตย์ภาวาสวะเราทําลายภพศาสตร์อันนี้ไปแล้ววะสัตย อวิสาสาวะเราทำลายอาวิสาอันนี้แล้วเป็นวิปัสสนาแล้วเข้าใจเตะมันเริ่มหัวจักมาตั้งแต่เ ม, มื่อรูปนามมันได้ยังพอว่าวิปัสสนาหัวจักลดโอวิปัสสนามันมาจังซนนีจนว่ามาหัวจักวัตถุปรมามณ์นี่ก็รู้จักมากเข้ามาเข้าโจ๊กยิ่งลงลึกเท่าเด็กยิ่งเย็นเท่านั้นทําอิฐลงอยู่นาําำตะฟังในสะคอนอันรูปนามเนี่ยลงเข้าไปอดวัตถุปรมามณ์นก็ลงนา้าเพียงเอื้เพียงแอลี่และบันเน่ ลงเข้าไปถึงสิ่งแล้วก่อนคล า, ายคือน้ำลึกแล้วก่อน่วมหัวเย็นจิ้วเข้าไปเลยเข้าไปลึกๆไปไดิเห็นตัวปวิสาตัวกามมาสะวะผวาสะวะอวิษาสะวะนี่ยิ่งลึกไปดนนิยังบ่เธอร์ไปแล้วบปด้มันเป็นอย่งนั้นนี้มันเย็นค่วมเย็นมันจังว่าควมเย็นผิดกันลงลึกเท่าใดยิ่งเย็นทวัดหลวพ่อว่าบบไม่เย็นแบบน้ำแข็งอันนี้จนว่ารู้จักทําบาปด้วยกายทําบาปด้วยวาจาทําบาปด้วยใจ มีใจกายซื้อๆนี่ทำบาปไปตกนรกคุมใดถ้าหานรกมีนานจากปีจากเดือนหนึ่งหู้จากอย่างสั้นอย่างพอเห็นจยงสั้นเข้าใจอย่างสั้นวันนี้ทำบาปด้วยคำพูดคำพูดซื้อๆเจมือโบได้ไปทำว่าเขาโบดีอย่างสัญญส้นอย่างซื้อๆนี่ถ้าหานรกมีแล้วไปตกนรกคุมใดจากปีจากเดือนหู้จากอย่างสั้นเห็นอย่างสั้นวันนี้ใจคิดซื้อๆแบบ น, นี่ยคำปากโบว่า โบปากโบเบาใจหักคิดอยู่ทางทันแล้วตอนนี้มือกับโบเหตจะคิดที่ซื้อถ้าหักนรกมีจริงไปตกนรกขุมใดนานจากปีจากเดือนวันทันหูจกักวังทันแล้วบอนนี้ทำบาปด้วยกายทำบาปด้วยวาจาด้วยใจพร้อมกันมัดบ็ดเนี่ยไปตกนรกขุมใดไปตกอวิชีขุมใดนานจากปีจากเดือนวันทันในทางตรงกันข้ามบ็ดเนี่ยทำบุญด้วยกายซื้อนี่ม่ได้เอามือเหตที่ซื้อใจโบพร้อม ของปากเบาเถอหากสวรรค์มีแล้วชีไปยุสวรร์สั้นไหนวาสัน่ต้องถามไผ่ปุญ น, นี่หูจกักรถนานจากปีจากเดือนเน่นิพพานมีไปยุ ด, ดีพานสั้นไดะสันหูจักสั้นวันนี้เว้าดีซื้อเฮาหากวามือบุได้เหุได้ทำเล่าดีพูดดีพี่ไปน้องมามีแต่ต้อนรับคำพูดปาใส่ดีให้บ่ได้ตายไปแล้วไปยุศิพานสั้นไหนไปยุสวรร์สั้นไห น, นานจากปีจากเดือนน่ันหูจักัน บัด น, นี้ทำบุญด้วยใจบัดเนี่ยใจคิดดีแค่มือบวชทำปากบาวบมีแต่ใจคิดดีซื่อๆนี่แหละหากสวรรค์ น, นิพพานมีเราตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์ท่นไหไปยุนสวรรค์ั่นใหนหรือนิพพานมีไปยุนิพพานท่นใด น, นานจากปีจากเดือนหูวจักสงสัยบัด น, นี้ทำบุญด้วยกายหนึ่งกายกระทำนี้วาจากระพูดดีใจก็คิดดีพร้อมกันแล้วบัดเนี่ย หากสวรรค์มีนิพพานมีอ่ะตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์สันไหนเป็นนิพพานสันไหนนานจากปีจากเดือ น, นัเนี่ยหูจักเัาสันหูจักเราบปโทรว่บาบ้านใดเอมานั่งให้จังหวะอยู่นี่เดินจมกลมอยู่นี่มันเลิกมีสิทธิ์มีธรรมครบหมดด่นหนึ่นงกายที่กรบดูกได้ไปฆ่าสับได้ไปหลักสัพย์ทธิ์ น, นจะมาหลับกระได้บ่ลับกระไดอย่างพอวางสันมันนี่คำพูดคำจาเขาเนี่ยมีผู้ใดมาถามเขากว่าวว่า น, นี้ ใจเขาก็คิดน้อมนาวเข้ามาเต้นในตัวเขาเลยมนุษย์มั น, มนคบเมื่อเดียวก็เลยเห็นเลยรู้เลยเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่อันนี้ยังไงจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์นั้นพองแผ้วว่องไวนั้นเพื่นว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าว่าจันเขาก็ต้องพี่ปองให้มันได้พระพุทธเจ้ามาไว้หมมอเขานี่เดบอวันนี้อย่างสิถุกถ้าหากว่าเขานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ย ญาติโยมคือกันครูบาอาจารย์เกินทุกองนี้จิตใจก็สบายอยู่ซื่อนี่อันนี้ลักษณะจิตใจสงบซื่อได้นไงสงบอยู่งั้นสิเพราะว่าเขาฟังอยู่เนี่ยเขาไ่ได้เห็นแต่มันก็นมีอยู่นี่แต่เขาเขาบเคยเห็นจากเธอบขาเคยรู้จักว่าจิตใจสงบเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะเขาบุ้รู้จักจากเธอโอ้จิตใจสงบนี่คือคนกับจิตใจพระพุทธเจ้านั่นเอ้เนี่ยคันเขาคิดตั้งเสียงกับโอ้ จิตใจสงบนี่ไม่จิตใจพระพุทธเจ้าเด้โอ้แล้วก็มีพระพุทธเจ้าในน้อยเกิดขึ้นแล้วเด้เนี่เขาก่าหุจักโลตินว่าเขามีอ่ะเขามีเงินบาทหนึง่งยุดในถงเสื้อเขาเนี่ยมีคนมาถามเขาก็จีนหุจกักแต่ว่ามีเงินเท่าใดเจ้าอ่ะมีบาทหนึง่งเงินเป็นเหรียนละบาทหรือเป็นใบละบาทเขากุ้งหุจักเลนว่าถ้าเขามีใบละห้าบาทไปยึดถุงเสื้อเขาเนี่ยมีคนมาถามเจ้ามีเงินว่ามีมีเท่าใดมีห้าบาทเป็นเลรียนห้าบาทหรือเป็นธนบัตรใบละห้าบาท เขาก็กู้จักเพระว่าเงินเขามีบันนี้เขามีเงินใบสิบาทบัดเนี้ยมีคนมาถามมาโกหกจักว่าใบสิบาทโดยบัดเดียวมีเดี๋ยวนี้มีใบใบห้าสิบก็มีได้เดี๋ยวนี้แต่คนโบทันมีมีใบละยี่สิบาทบัดเนี่ยเขาก็บอกว่ามียี่สิบาทโดยบัดเดียวเพราะเขาเห็นได้ใจมันเห็นอยู่ถุงเสื้อกับสาร้างยืดแท่กระตามเขาจับไว้แล้วมันเอาเมียเนี่ยมันเห็นมีเงินยี่สิบาทเขาก็ บ, บอกว่าบิเงินยี่สิบาทมีห้าสิบบาทเขาก็ บ, บอกใบห้าสิบาท แต่ก่อนมีแต่ใบละร้อยใบละห้าร้อยได้บ่มีแต่ก่อนเมื่อเนี่ยพ่อไปปฏิบัติธรรมะเนี่ยพ่อเขาหัวใอ๋ออันทองอย่างนี้ถ้ามันมีแล้วมีผู้ใดมาถามมันหัวใจรอดวะสิบบัดนี้คนบ่มีเงินได้บัดเนี่ยเจ้ามีเงินบ่มีสิบยู่ใส่สยื้ธนาคารคนบ่มีเงินผู้หน่งอวดดีซื้อเนี่ยบางทีบ่มีเงินในธนาคารก็ตามร้างนี่เนี่ยบางคนบ่มีได้เงินธนาคารกันได้ว่าซื้อซื้อว่าเจ้าของมีเงินน่ะเนี่ย อันนี้เขามีเงินเงินธนาคารก็มีบระเดี๋ยวยืดถุงเสื้อก็มีแต่เฮนี่นะจิว๋วคนอวดดีกับคนมีดีอามาวัามันจึงต่างกันให้เข้าใจจังสันถ้าหากเขาบอเข้าใจจังสันเนี่ยจะไปเจอเขากับคนอวดดีหรอกจะไปเสื้อได้เนี่ยอย่าเสืออเส้อคนบอกบอกให้เสือเ้อแล้วต้องทดลองต้องปฏิบัติถามมูญาติโยมนี่ก็คือกันถามพระเจ้าพระสงฆ์คือกันต้องปฏิบัติให้รู้จักโตเราให้รู้จักรูปรู้จักนามนีน่แหละทีแรกกั เมื่อรู้จักอันนี้ก็รู้จักเป็นขั้นเป็นตอนไปเป็นเอื่อนปฐมมาซานทุติญญาซานตาติญญาซานจัตุทัศ า, านปัญจามาานเป็นวา่าเฮาบาว่าก็ได้จิตใจเปรี้ยนครั้งที่หนึ่งเป็นยัง้งแล้วมันรู้จักรูปนามนี่ลดไปเนี่จิตจิตจิตใจเปี้ยงครั้งที่สองเป็นยังย้งโยโทสัโมหะโลภะนี่มนุษย์ลดน้อยไปแล้วได้นี่ว่าจิตใจเปรี้ยนครั้งที่สามเป็นยังโยกิเลสตัณหาอุปาทานนี่มันบุญยุดบุญถือเราได้เดียวสัตย จิตใจเปี่ยนเป็นขั้นเป็นตอนไปจนเท่ามีสิทธิ์ย่างสมบูรณ์อย่างอย่างพอวานี่เนะี่ก็เลยรู้จักจําพวกกามกามมาสาวะกามมานี่ตกยนต์นของกามคืออารมณ์ยินดีรักใครพอใจในอารมณ์เป็นเอิญกามมาสาวะอาสาวะคือกิเลสเพราะจะว่าย่าดีใจอย่าเสียใจพนว่าอย่างสัน้นอันนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ฟังอย่างพอวาอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยบ่มีดีใจบ่มีเสียใจอยู่ซื่อๆนี่บางคนก็เบื่อใจตัวเอง บางคนก็บริเบิ้งเบิ้งพุ่นเบิ้งที่นี่มองไปลืมตนได้นลืมตัวเลยบางคนก็ดูลมหายใจเบิ้งจิตเบิ้งใจตัวเองดีกว่ามันมีแล้วของมีแล้วทางนั้นที่เนี่ยพอวอลอยู่นี่บุตรายเป็นวอลขอบ่มีเด้ของมันมีได้เนี่อามาวอลให้ฟังเนี่ยอย่ามาบ่ต้องศึกษาก็ะไดถ้าหากปฏิบัติถึงที่สุดแล้วก็ต้องถึงจริงๆจริงอ่าสัญญาขัมหมายรู้จาไหนเพราะมันมีถ้ามันบ่มีมันที่จาได้บอมันต้องเข้าใจอย่างสั้น ที่นายพรว่าให้ฟังนี่บอยนักเรื่องนี้เมื่อรู้จักอันนี้เราทําบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งสามย่างครบสมบุรณ์แล้วก็วิวรถบัดเดียวมันขาดช่วงออกจากกันปุ๊บรถบัดเดียวนี่อันมันขาดโอกจากกันบุ้นไม้จีว่าขาดจังซีได้มันเปนบวบเป็นพี่เป็นน้องกันสมมุติเอาซื้อเนี่ยบ้านหลวงพอ่อ มีหิ้งสามขาก็าจะไปหาปูหาปลาหาเนื้อมาเขาจะให้หิ้งสามขาไป ย, าย่างยำมันเน่าเป็นวาันมีเฮ้งสามขาสุกโบลมเอาเออกขานึงแล้วยังสองขาเป็นยังหนานลมอยู่วันนี้เอาเออกขาเดียวตั้งโบจูแล้วบเ น, นี่ยลมพัดกับลมลดมาเดียวอันนี้ก็คือกันถ้าหากทําลายโทสะโมหะโลภะออกไปแล้วเพาะเขาโหลง เพราะว่าย่าลงโตย่าลืมใจย่าลงเนื่อลงตัวเขาเบิ่งการเคลื่อนการไหวมันนึกมันคิดอันนี้เป็นวิธีที่จะเข้าไปอั น, นั้นถ้าหากบ่เบิบ่งอันนี้บ้วยมีวิธีที่เข้าไปเนี่ยพอผู้อื่นให้จิเป็นเส้นใดบุญพระจ้าวิธีที่จะเข้าไปหากวมคิดได้คือการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวรูปกายภายนอกนี่แหละเคลื่อนไหวเข้าเคลื่อนไหวเข้ามันนี่จิตใจเคลื่อนไหวก็ต้องรู้แบบ น, นี้นี่ไม่เป็นไร รู้จิตใจเคลื่อนไหวแล้วเป็นอย่งไดียวเนยก็แปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงแปลว่าได้ต้นทางเพราะนวเอินได้กระแสะพระนิพพานนวลั่นนิพพานบุเป็นจนเป็นโตเด้อันว่าได้กระแสะพระนิพพานก็ได้ความคิดมันคิดมันเห็นมันรู้นี่แหละบัด น, นี้มันบุกโก้ดนี่แหละกระแสะพระนิพพานนะจึงว่าเข้าไปนิพพานให้มันได้จังว่าเขาได้เกียรติสงบแล้วบนนี้ใจสะอาดเขาต้องเห็นมันคันสะอาดก็แปลว่าเขาเห็นนั่นแล้ว ขนนวลสะอาดจะเบิ่งพี่อยากไปเห็นองศีได้โอ้ดีเนาะนี้เขาเบิ่งองศีสะอาดคนเอื้นใจสว่างจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบอันนี้มันสามารถที่จะมองเห็นอย่างสั้นเพื่อว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบอันนี้จิตใจบริสุทธิ์สมุนสะอาดพ้องใสอันนี้จึงว่าคนเจริญวิปัสสนามีสติมีปัญญาพ้องใสตัดสิ่งใจลงไปโบพาดเลย ทำการทำงานโบผาดผิดเพลินวานอยอ่างนั้นเพราะมันหูวจักเนี่ยโบม่นตัดส่นใจพจใจ่อจิตใจลเข้าซึนจิตใจหดหู้จิตใจเศร้ามองจิตใจคุ้นหมัวโบเม่นอย่างนั้นเนี่ยพอวา น, นจิตใจบันพองแผ่วว่องไวพองใส